ต่อเรื่องเข้าใจอย่างไรใจ 15 พฤศจิกายน 2535 ที่ เข้าใจเข้าใจอย่างไรในชนชั้นไรในๆไปๆยิ่งใหญ่ยิ่งมี มีความเฉลียวฉลาดมากกว่ากันลักษณะแล้วก็ เป็นทุกข์เป็นรอนกันอยู่มากภาษาๆ ชนชั้นสูงชนหัวสูงสูงชนหัวสูงชนชั้นๆนี่มันเป็นยังไงกันแน่แล้ว แต่ฟังใหม่ถึงฟ้าฟังใหม่เยอะ ทีชนเป็นกลางชนเป็นกลางมาอีกอันนึงที่อาตมา คนคนชั้นสูงคือคนที่หัวถึงฟ้าและตีนติดดินสูงคือคนที่ที่ นะคนหัวสูงนี่คือคน หรือคนทะเยอทะยานแต่ไร้ปัญญาไร้ไร้สามารถ เหยียบย่ําหรือกดขี่อยู่นะชน คนชั้นล่างนี่ต่างนะรวยๆคนชั้นต่ำฟังๆหรอก <c oughs> เขาเรียกอย่างมียศๆเข้าๆแล้วเราจะรู้ว่าๆนะๆสําคัญสําคัญ พัฒนาตัวเองได้ถ้าเรามอง คนที่ก็เอาโลกีย์มาวัดนะโลกีย์มา มีสถานะทางสังคมเจริญงอกงามและคนเหล่านี้นี่ไม่ เพราะฉะนั้นมากมาก ต้องการฐานะทางสังคมสูงๆๆขึ้นไปใหญ่เท่า ได้รับฐานะทางสังคมแบบไหนแบบไหนก็ตามให้ เขาจึงอยู่ต่าง เขาถึงฉันโดดแล้วถึงฟ้าแล้วยศศักดิ์อํานาจที่จะ หาง่ายง่ายนะคนชั้นกลางนี่หาง่ายๆนี่หายากทีนี้คนชั้น โดยเฉพาะยิ่งมีความรู้ๆ และแถมมีมักน้อยด้วยแถมไม่ต้องกินไม่ต้องใช้อะไรมากมายมักน้อยด้วย 9 ด, 9 มันจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนของความ จะเอากับความรู้ความสามารถเหล่านี้ไปสร้าง ทำโดยที่คนไม่รู้ทันหรือว่าคน เพราะคนชั้นสูงที่เป็นคนที่หัว กันอย่างข้านิยมของโลกๆมัน กลไกอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อตัว คนที่มีญาณปัญญามีความลึก ขอตัวถอดต้นออกมายังไม่ ผู้ที่เค้าก็เข้าใจแล้วล่ะว่าคนจะ เข้ามาก็ยังต้องมาต่อสู้ๆ แล้วก็พยายามที่จะเป็นหลักของ เพราะฉะนั้นคนชั้นสูงคือคนที่ เขาให้ค่าๆๆเค้าตีอบแบนหรือเค้าฆ่าเอาๆนะอ่า ร่างกายมันจะทําๆเลยมีมัตตัญญุตามีการประมาณ อ่ารู้ธุรกิจกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเนี่ยจะต้อง บทบาทเกิดบริบทอะไรของอยู่พร้อม ลึกซึ้งสูงสุดจะทําความเป็นกลาง ความเป็นกลางคือความต้องมีแนวๆ ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเลยมันก็กลางๆ แม้จะรู้ก็ไม่พูดไอ้นั่นคือคนบ้าเออ ไอ้ตัวมากก็พูดซ้ําน่ะเคยวิเคราะห์ไว้ พิจารณาบวกลบคูณหารเข้าไปอีกว่า การเป็นคนเป็นกลางอยู่ในสังคมต้องมีบทบาทต้องมีการ คนหัวสูงเนี่ยๆ เมื่อกับหัวเจ้าเราจะสูงมากกว่าหัวเรา แต่คนถึงฟ้าน่ะคือคนที่เค้าไม่เหยียบย่ําใคร <พ อ. S 1> เป็นคนถ้าแกล้งอ่าเป็นในเปเป 10 <c oughs> แล้วก็อยากจะให้ๆ เดือดร้อนตายคนหัวสูงเนี่ยเดือดร้อนมากเป็นคนทุกข์ ซึ่งมีตัวอย่างอยู่ในสังคมโตยทํารวยทํารู้ทําราอ่าเป็นคุณ อยู่ในจําพวกคนชั้นต่ําชั้นต่ําคือคนไม่รู้พอพอ และพอยังอยู่ได้ด้วยพอยังสบายพอ ไม่ต้องมีอ่ะนี่พอกินเท่านี้ ทรมทลายขนาดไหนอาตมาก็มีเท่านะอาตมาก็นะตีนติดดิน ถ้ารู้ฟ้าดูดินที่ถูกต้องแล้ว บางคนรวยด้วยนะทำบ้าบอๆเอาเงินเอาทองมาใช้บางคน แต่แท้จริงแล้วตัวๆเลยถ้าคุณไม่รู้ก็เหมือนว่าเมืองไทยไม่ อย่ามาพ่นมีมันมีโดยธรรมชาติของมันตามกิเลสที่ไหนอ่ามันมีชน อ่าตอนตอนที่พูดความเป็นกลาง อาจารย์ชั้นล่างอาจจะเป็นๆหรือๆเนี่ย คนชั้นล่างชั้นแต่ที่ต้องเป็นชั้นล่างคนชั้นล่างไม่ใช่คนชั้นต่ําแต่ที่ให้คน จะพอทําได้ก็ทําถ้าทําไปแล้วมันจะเกิด <c oughs> ที่เหยียบย่ําดูถูกดูๆ ให้เกิดลีลาธาตุทีกระแสสังคมอะไรอยู่นะครับเหมือนกระแสนั้น อ่าบางคนก็ภาคเพียรยังไม่ได้สูงมากก็ เอามาอธิบายหรือว่าๆนานามันมีอยู่ เรื่องสังคมหรือเรื่องของความดีหรือ คุณจะมีปัญญามากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มันก็ๆคุณๆ คุณมีมันก็ธรรมดากลางๆคุณก็โง่กลางๆมันก็ธรรมดามันเท่า โดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอ่าคนแหละไม่มีใครที่จะไปเทดิ มีชีวิตคุณดําเนินไปตรวจตราประสบประสบ พิธีกรรมอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามชาวอโศกมีคุณมา เมื่อเราพยายามคบคุณกันสมาคมกัน ส่วนมากก็อยู่ก็ที่อื่นเยอะแยะสังสรรค์กัน แต่มันๆแล้วโดยเหตุผลสมควรๆมันเราก็จะ โดยเฉพาะๆแล้วว่าในบัดเวลาเร็วๆเมื่อๆเท่าไหร่มันต้อง มันจะไม่รู้ความจริงกันได้นะอ่ามีเหมือนกันนะให้เขาเข้าใจเราเป็นเปรตเป็นเท คบหากับใครก็แสดงผีแสดงเปรตก่อนความจริงตัว พระพุทธเจ้าก็ยืนยันจะรู้ได้โดยการมีศีลจะรู้ กลุ่มหมู่ๆและเป็นมิตรดีสหายดีเป็น เอฟอสกัลยาณสัมปะวังโกเค้ามายะก็บอกว่าสัมปวังโกดีนะไอ้มิตร อาตมาก็เมาๆเหมือนกันไอ้เพื่อนกับสหายนี่มัน มิตตมัตตะน่ะตังอะไรพวกนี้ถ้าสหายมันก็พยัญชนะมัน มันก็มีใจที่ตรงกันมีใจที่ดี ส่วนกัลยาณสัมปวงโกนั้นวังโกก็คือวง 9 ปร 12 อะไรจะมาว่า อะไรญะของมันแล้วก็มันก็มี มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อม แง่ไม่ดีไม่ต้องห่วงชาวโศกนี่อยู่ด้วยกันเนี่ย เอ่อวิเคราะห์วิจัยมีอะไรถืออยู่อีกแล้ว ห้ามไม่ได้มีพระพุทธเจ้าอยู่ 100 องค์พร้อมกันอย่าง 5 คนเนี่ย มันไม่จบหรอกเออถ้าเผอว่าผู้นําหรือว่าผู้ ถ้าไปดีก็ดีไปเถอะเพราะมัน สัมพันธ์สร้างสรรค์สันอบอุ่นนะเทปม้วนนี้ใคร สัมพันธ์สนิทกับพวกเราพวก 3 ทีหอกกับ 3 ครั้งก่อนไอ้เนี่ย ผู้ๆยังไม่เข้าใจถึงๆก็เหมือนกันล่ะคนเนี่ยธรรมดา จริงในขณะอบอุ่น แล้วมันก็ดูมันไม่สนิทกัน ยิ่งมาเป็นนักบวชมาเป็นผู้ปฏิบัติเข้มแล้วเนี่ยชื่นชมกันได้อาตมา เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาเออนี่ท่านก็ไปห่างไปห่าง ไม่ช่วยเหลือไม่เฟื้อฟายอโศกนี่ไม่ช่วยเหลือกันคือกําลังช่วยให้เองทําเองซะ ผลๆมันไม่เหมือนกันกับคนโลกโลกกันตั้งมาก อย่างนี้เป็นต้นนี้ๆมันไม่เหมือนกันๆ มาเห็นมันทะเลาะกันเก่งตายมันมันมันจะติกันเตือนกันอ่าอ่า ไม่รู้ไปประชุมอะไรโอ้โหประชุมอะไรไม่รู้ประชุมอะไรแข่ง เข้าไปนั่งประชุมนี่มีคนอยู่เป็นประธานพูด แต่เราวิจัยกันส่วนนั้นส่วนนี้นี่ก็ดีขึ้น พอในเวลานั้นเราจะมีข้อมูลของคนอื่นเพิ่ม เมื่อได้มติที่ประชุมออกไปแล้วข้างนอกอย่าไปซัดกันตามมติแล้วก็ ได้พาเราจะเป็นคนเป็นกลางหรือว่าเป็นคนชั้นสูงตามความเป็นจริงอย่างนี้กันมากนะแล้วพวกเราน่ะมัน คนชั้นล่างนี่ก็คือคนตีนติด ไม่ค่อยเข้าใจอะไรดีนักค่อยเข้าใจอะไรดีนักหญิงพยองอยากใหญ่อยากโตอยากมากอยาก อยู่ในสังคมจะเป็นคนชั้นล่างเป็นๆได้แล้วๆเรื่อยๆๆแล้วแล้วก็ใน อ่ามีคนผิดจริงมีคนชั่วจริงมีคนดีจริงมีคนผิดจริงมีคนชั่วจริงมีคน มันก็ยืนยันชัดเลยว่าใช่ๆน่ะเขาก็ต้องผิดสิ่ง ก็ท่านปฏิบัตินี่ก็ดีๆนี่น่ะโอ้ทําก็ๆนะมันก็เป็นการบอก ถ้าคุณเชื่อว่าเราขาวและอีกอันนึง หรือคุณเห็นว่าเราดำนี่เป็นอาตมาตั้งไว้แล้วเข้า นะในแง่โลกิยะในแง่โลกุตตระคนเป็นกลางคือ ชนชั้นต่ําคือคนไม่ คือเป็นคนเป็นกลางแล้วก็ได้ เอ่อเป็นนักวิชาการเป็นคน ของอินเดียเค้าก็เป็นพวกจันทรานอะไรอย่างเงี้ยๆมีเงิน อนายะที่อาตมาขยายความไปแล้วก็คง แล้วมันจะรวมกันเองแล้วมันก็จะอ่ะเป็น